มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวกเวทนาลักษณะปัญหาที่เก้าถามว่า เวทนาเมื่อบังเกิดมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐเวทนาเมื่อบังเกิดมีลักษณะประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ เวทนาเมื่อบังเกิดนั้นมีลักษณะเสวยสุขทุกข์อุเบกขาทั้งสามประการพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินเลิศกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าโยมอรัธนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาค เ, เสน จ, จึงอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภาร เปรียบานประดุดหนึ่งบุรุษข้าราชการผู้หนึ่งนั้นมันมักพักดีอุตส า, าเ้าเช้าเย็นมิได้ขาดหน้าทุกเวลาไปสมเด็จบรมกษัตริย์มีน้ำพระทัยรักใคร่โปรดปรานทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทองเสื้อผ้าค่าไทยอิสริยยศเครื่องกามคุณให้แก่บุรุษนั้นบุรุษนั้นครั้นได้ความสุขแล้วก็พองแผวคิดในใจว่าเวทยามิ อัตมาได้เสวยสุขทั้งนี้เพราะอัตมาพักดีต่อบรมกษัตราที่ราชโปรโดปรานประธานให้แก่อัตมาบุรุษผู้นั้นก็สุขเกษมเปรมใจอโรนายอยู่ยังอีกนัยยะหนึ่งได้แก่บุรุษกระทำกุศลอันยิ่งครั้นทำลายสหาชาตินามกายตายไปก็ได้ไปอุบัติบังเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลก เสวยทิพยสมบัติกเกษมสีสมังคีภูโตพร้อมเพรียงอิ่มเอิบด้วยเครื่องบำเรอกามคุณเป็นที่รักแห่งเทพนิกรสุรานางฟ้าเท พ, พบุตรผู้นั้นก็นึกในใจว่าตัวอัตมานี้ได้เสวยทิพยสมบัติทั้งนี้เหตุอัตมาได้กฤิดาการกุศลสิ่งนั้นสิ่งนั้นไว้แต่ก่อนมาจึงได้เสวยสุขเวทนาช่นนี้ ยะถาอันนี้มีครุวนาฉันใดเวทนานี้มีลักษณะสเสวยอารมณ์เหมือนบุรุษที่ได้สร้างกุศลชนี้บบพิทธพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยด้วยประการชนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังก็มีพระไทยโสมนาตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาควรแล้ว เวทนาลักษณะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้